ชีวิตนะเปรียบเมื่อการเดินทางเพราะว่าเดินกับดําเนินนี่มันก็เป็นคําเดียวกันอยู่แล้วนะแล้วเดินทางเนี่ยนะถ้าเป็นการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็คือการเดินเท้าและการที่คนเราจะเดินเท้าได้นีมมมนนะน่มันก็ต้องมีความสมดุลนะเราเดินด้วยขาทั้งสองมันก็ต้องมีความสมดุลพอไม่งั้นเนี่ยเดินก็จะลําบาก ขาข้างหนึ่งสั้นขาข้างหนึ่งยาวนะมันก็เป็นการเดินที่ทุลักทุเลเพราะว่าต้องเดินแบบกระโโกกระเพลงความสมดุลระหว่างขาสองข้างนี่มันสำคัญสําห ร, รับการเดินเท้าอย่างไรความสมดุลก็เป็นสิ่งจาเป็นนะสำห ร, รับการดำเนินชีวิตสมดุลและดุลยภาพนี่มันก็มีหลายลักษณะนะ เอาย่งง่ายๆเนี่ยเช่นสมดุลดรุดเรียภาพในทางกายเนี่ยอันนี้จําเป็นนะเช่นระหว่างการทํางานกับการพักผ่อนเราทํางานก็ต้องใช้กายทํางานมากแต่ถ้าทํางานแล้วไม่มีพักผ่อนหรือพักผ่อนไม่พอเพียงก็ทํางานได้ไม่นานหรือถ้าอาแต่พักผ่อนนะไม่ทํางานนะมันก็ กลายเป็นเกยียดคลานชีวิตก็ย่ำแย่ทำลองเดียวกันนะดุลยภาพระหว่างการกินอาหารเพื่อเติมพลังงานกับการใช้พลังงานเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะท่านกว่าเรากินอาหารเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายเยอะแต่ว่า ใช้พลังงานน้อยเช็นนังน่งๆนอนๆอนไปทำงานก็นั่งรถไปถึงที่ทำงานก็นั่งอยู่หน้าคอมหรือบนโต๊ะทำงานเสร็จก็นั่งรถกลับบ้านถึงบ้านก็นั่งอีกนีดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์เนี่ยคือไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยมันก็เจ็บป่วยนะเดี๋ยวนี้เรากินอาหารเราเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายนี้เยอะมาก อาหารดีๆทั้งนั้นนะทั้งน้าตาลทั้งไขมันทั้งโปรตีนแต่ไม่ได้ใช้เลยนะกับการออกแรงนะอย่างก็เรียกว่าเป็นชีวตที่ขาดสมดุลนะสุดท้ายก็เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือวมาทั้งโรคมะเร็งอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเรียภาพในทางกายนะในทางใจก็เหมือนกัน ดุลยภาพในทางใจเนี่ยที่สำคัญอันหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามนะก็คือความสามารถในการคิดกับการรู้จักวางความคิดเดี๋ยวนี้เราถูกฝึกมาให้คิดเก่งคิดเร็วคิดไวคิดได้นาน ยิ่งกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายคนรุ่นนั่นหรือแม้กระทั่งชาวชาวบ้านชาวชนหมดทุกวันนี้เนี่ยจะให้เขาคิดนานๆนี่เขาก็เมื่อยนะล้าเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้คิดนานๆไม่เมื่อการทำงานนะขุดดินทำได้ทั้งวัน นะครัที่คนในเมืองหรือคนที่มีการศึกษาสูงๆเนี่ยให้ขุดดินแค่ห้านาทีนี่ก็เหนื่อยแล้วแต่จะใให้คิดนี่คิดได้เป็นวันหรือทั้งคืนเลยก็ได้เพราะเราถูกฝึกมาให้คิดเก่งคิดเร็วคิดไวคิดได้นานอึดนะแต่ว่า สิ่งที่ต้องมีควบคู่กันก็คือนะการรู้จักวางความคิดหรือว่ารวมไปถึงการรู้จักทักท้วงความคิดรู้จักชะลอนะความคิดเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้รู้จักวางความคิดหรือรู้ทันความคิดนะมันก็เลยคิดไม่หยุดเลย เดีย๋ยวนี้คนเป็นทุกข์มากนะเพราะว่าคิดไม่หยุดจนนอนไม่หลับเดีย๋ยวนี้การนอนไม่หลับนี่มันก็กลายเป็นปัญหาคนสมัยนี้มากซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือการที่มันคิดไม่หยุดทักทีจนกทังต้องมียากล่อมประสาทเพื่อให้มันหยุดคิดตื่นขึ้นมามันก็คิดคิดคิดคิด จนกระทั่งไม่มีสมาธิกับการทำอะไรได้นานๆบลอกแนะอกเพราะมันคิดโน่นคิดนี่ทำงานก็คิดถึงลูกนะแต่พออยู่กับลูกที่บ้านก็คิดถึงงานแล้วความคิดมันก็พาผู้คนนะไปตามหน้าของมันเพราะว่า เชื่อความคิดมากความคิดมันสั่งให้ทำนั่นทำนี่ก็ทำสั่งให้เสพสั่งให้ซื้ อ, อก็ทำสั่งให้ดา่านะก็ทำบางทีพาเขาเข้าพงหรือว่าพาทาผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เยอะก็เพราะความคิดนั่นแหละนี่เพราะว่าไม่รู้จักนะทักทวงไม่รู้จักรู้ทัน หรือว่ารู้จักวางความคิดไม่ต้องฝึกนะฝึกว่าเนี่ยคิดเก่งคิดไวคิดได้นานก็ดีแล้วนะแต่ว่าต้องรู้จักวางความคิดด้วยไม่งั้นเนี่ยความคิดมันกลายเป็นนายเราเลยนะไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นเบาที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวถ้ามันเป็นเบาหรืออยู่ในอำนาจของเรานี่โอ้มัน ช่วยเราได้เยอะเลยเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ต้องอาศัยความคิดมีปัญหาอะไรก็ต้องอาศัยความคิดในการขบในการแก้เจ็บป่วยอ่ะก็ต้องรู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุก็ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าความคิดมันกลายเป็นนายเราเรามื่อไหร่นี้เราแย่เลยนะ คนไม่ค่อยเห็นถึงความจริงข้อเนี้ปล่อยให้ความคิดเป็นนายมันก็พาเราเข้าร็กเข้าพงมันคิดแล้วก็หยุดไม่ได้มันคิดแล้วก็เชื่อมันทุกเรื่องจนกทั้งทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้เพียงเพราะว่าคิดต่างความเห็นไม่ตรงกัน ความเห็นไม่ตรงกันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะถึงกับตัดพ่อตัดลูกหรือว่าตัดเพื่อนนะอย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่เพราะว่าความคิดมันสั่งให้ทำพอมันทนไม่ได้ที่คนอื่นมีความคิดต่างจากมันนะก็กลายเป็นศัตรูที่มัน มันในที่นี้คือความคิดเนี่ยมันจะต้องหาทางเล่นงานมันก็สั่งให้เราเล่นงานคนที่คิดตางจากมันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกหรือว่าเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำยิ่งถ้าเกิดอ่าเป็นคนทางคนไกลด้วยนี่มันก็ยิ่งมีเหตุมีผลหรืออ้างเหตุทัอ้างเหตุอ้างผลที่จะอ่าเล่นงาน รวมปนามกล่าวหาโจมตีหรือถึงเอาใช้ความรุนแรงนี่ก็เพราะความคิดมันสั่งให้ทาแต่ถ้าเรานะรู้จักวางความคิดรู้จั ก, ร, จกรู้ทันความคิดนะหรือรวมทั้งรู้จักปล่อยวางความคิดนี่ความคิดมันก็จะไม่เป็นนายเราหรือเป็นนายเราไม่ได้มันจะอยู่ในอำนาจของเราถึงเวลาคิดเราก็สั่งให้มันคิดถึงเวลาพัก เราก็บอกว่าพักได้แล้ววางความคิดลงอันนี้คือดุลยภาพหรือสมดุลที่เราควรจะมีคิดเก่งคิดเร็วคิดไวก็ต้องรู้จักวางความคิดหรือว่าทำใจให้สงบจากความคิดบ้างหรือว่ารู้จักทักท้วงความคิดนะ แล้ความคิดนีมันก็สืบเนื่องนะสัมพันธ์กับสิ่งนึ่งนะที่เราเรียกรวมๆว่าปัญญาปัญญาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความคิดปัญญาที่สำคัญนะคือปัญญาในการแก้ปัญหาเราใช้ปัญญาเนี่ยในการแก้ปัญหาเช่นเวลาเกิดภัยอันตรายเราก็ใช้ความคิดหรือใช้ปัญญานี่แหละ ในการจัดการกับปัญหามีภัยอันต ร, รายที่คุกคามสวัสดีภาพความเป็นอยู่ของเราเราก็ใช้ปัญญานะเช่นงูเงียเ้ยวเขี้ยวขอสัตว์ ร, ร้ายหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยที่เรารอดมาได้ทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่หมื่อหรือแสนปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็เพราะว่ามนุษย์เรานี่มีปัญญา ในการแก้ปัญหาในการจัดการกับอันตรายต่างๆทั้งสัตว์ร้ายทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บลวงทั้งเวลาเรามาทำงานทำการเราก็ใช้ปัญญาใช้ความคิดในการแก้ปัญหาทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าปัญญา อย่างนี้เนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งนะคือปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตด้วยปัญญาอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่อ ง, องการจัดการสิ่งภายนอกรวมทั้งจัดการกับร่างกายของเราในยามเจ็บป่วยดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ปัญหามันหมดไปหรือว่าทุเราเบาบาง ซึ่งก็มีเรื่องให้ต้องทำต้องแก้เนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนนะแต่ว่าเราต้องมีปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตชนิดที่ทำให้มันไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจไอ้ปัญญาชนิดแรกเนี่ยมันเอาไว้ใช้แก้ปัญหาภายนอกนะม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติความเจ็บป่วยหรือว่าความยากจนนะอุปสรรคในการงานต่างๆไอ้ที่เราไปเรียนนะมากมายเนี่ยในโรงเรียนหมหาเทาไลไรเนี่ยก็เพื่อเพิ่มพูนปัญญาชนิดเนี้ยซึ่งจำเป็นสำห ร, รับการทำมาหากินสร้างความสุขนะความ รวมไปถึงความมั่งมีนะรวมไปถึงการมีสถานะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันยังมีปัญหาอีกชั้นหนึ่งนะที่มันไม่ได้อยู่นอกตัวแต่มันเกิดขึ้นในใจเราความเครียดความเศร้าความวิตกนะความโกรธความขับแค้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบันทอน ใจิตใจเราล้วก็ทำ้ายร่างกายเราได้มากเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันและการที่เราจะจัดการกับปัญหาหรือความทุกข์ชนิดเนี้ยนะมาต้องอาศัยปัญญาชนิดที่2อนะเรียกว่าปัญญาในการเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกถ้าไม่มีตรงนี้นี่นะแม้ว่าจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆน า, นานาชนิด นำพายตัวเองเนี่ยประสบความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะแต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถแก้ความทุกข์ในใจได้เวลาชีวิตและโลกเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังเกิดความพัดภาาสูญเสียเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่ถ้าเรามีปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตนะเออมันก็ทําให้อยู่กับความจริงที่ว่านี้ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกเวลาเนี้ยเราเจอคนจํานวนมากนะที่เก่งนะในการแก้ปัญหาสามารถจะสร้างความเจริญรุ่นเรืองให้กับตัวเองได้แต่สุดท้ายเนี่ยพอไปเจอกับความจริงของชีวิตนะที่ ไม่อาจแก้ไขอะไรได้เนี่ยจิตใจก็ย่ำแย่เลยไอ้ความรู้หรือปัญญาอย่างแรกนี่เอามาใช้ในการแก้ทุกข์ภายในใจไม่ได้มันมีคนหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงนะปรากฏนะถูกกล่าวถึงในในประวัติศาสตร์นะซึ่งถูกถอดออกมาเป็นเป็นนิยายนะี่คือเรื่องสามก๊กเนี่ย สามก๊กนี่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะมันก็มีสามก๊กนะก๊กเล่าปีก๊โชโชโกโจโฉก๊กซุนกวนก๊กซุนกวนเนี่ยมีแม่ทัพคนหนึ่งนะซึ่งเก่งมากนชื่อว่าลกซุนนะลกซุนเนี่ยเป็นคนที่มีสติ ป, ปัญญามีความสามารถมาเดิมก็เป็นเสมียนเป็นข้าราชการชั้นพูดน้อยแต่ต่อหลังมีความสามารถก็ได้เป็นแอนมเพอ เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าได้ความดีความชอบเพราะว่าสามารถที่จะปราบโจรซึ่งมีเต็มบ้านเต็มเมืองได้นะเพราะสมัยนั้นนี่มันวนุ่นวายมากโจรบางกลุ่มนี่มีพลพักเป็นร้อยเป็นพันโลกศุนนี่ก็ทั้งที่เป็ น, นอำเภอเมืองเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะปราบโจรผู้ร้ายได้ด้วยสติปัญญา แต่เราก็มีความดีความชอบนะจงทั้งได้มาเป็นแม่ทัพนะนะของกกซุนกวนทั้งที่ยังหนุ่มอยู่เลยแล้วความสามารถี่ก็เยอะมากนะส่วนหนึ่งก็เพราะมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุดจริตมีความเสียสละก็แต่ละความไม่เนื้อเชื่อใจลกซุนเนี่ยนะเป็นตัวการนะที่ทําให้เมืองเกงจิ๋วเนี่ยที่กวนอู เป็นเจ้าเมืองเนี่ยแตกพ่ายนะกวนูนี่เก่งมากนะเป็นฐานเอกของเล่าปีถูกส่งไปครองเมืองเก่งจิว๋วแต่สุดท้ายนี่ก็พ่ายแพ้ต่ อ, อกองทัพของโลกสุนนะด้วยปัญญานะตอนหลังกวนู ก, ก็ถูกประหารชีวิตนะพอกวนูถูกประหารชีวิตนี่นะแล้วก็เล่าปีเสียเมืองเกงจิ๋วนี่เล่าปีโกรธมากเลย กฤษฎาทัพเป็นแสนเลยนะบางบางตำนานก็บอกเจแสนเนี่ยไปยึดเมืองอาจจะไปล้อมเมืองกังตังจะแก้แค้นให้กับกวนอูกังตังที่เป็นเมืองของสุนกวนลูกสุนที่เป็นแม่ทัพใหญ่นะอายุแค่3าสกว่าแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะตีนะทัพของเล่าปีซึ่งมี กำลังพลนี้มากกว่าหลายเท่าเนี่ยให้แตกพ่ายไปได้เสียหายยับเยินเลยนะทั้งที่มีกำลังมากกว่านะตอนหลังนี่รอปีนี้ก็พ่ายแพ้เสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะฟื้นนะก็ของตัวเองได้เลยสุดท้ายรอปีก็ตายนะตอมใจตายอันนี้ก็ามฝีมือของโรคซึนแท้ๆเลยนะ กวนอูก็ดีเตียวหุยก็ดีเล่าปีก็ดีตายไล่ๆกันเนี่ยเพราะฝีมือของลกศุนถึงเวลาที่โจโฉนี่จะมายกทัพมาบุกมาโจมตีกองทัพของลกสุนเนี่ยซึ่งเอาไปไปยึดเมืองไปไปโจมตีเมืองของโจโฉเนี่ยแล้วถูกทัพโจโฉนี่ส่งกองกำลังมาบทขยี้นะลกศุนย์ก็สามารถที่จะพากองทัพ ของตัวเนี่ยหนีกับเมืองกลางต่างได้อย่างปลอดภัยทั้งที่กำลังผลน้อยกว่าใช้ปัญญาลุ้นล้นวนก็เป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามากแล้วส่วนหนึก็เพาะเป็นคนมีคุณธรรมด้วยใครจะต่อว่าดาทอยังไงก็ไม่โกรธนะหากว่าเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองก็สามารถที่จะ ระ ง, งับความอดระ ง, งับความโกรธไว้ได้ก็เลยได้ใจนะของอขุนนางแม่ทัพต่างๆที่มีอายุมากกว่าแต่ตอนหลังเนี่ยลกสุลเนี่ยนะก็มีปัญหานะกับสุนกวนเพราะว่าสุนกวนตอนหลังเนี่ยพออำนาจมากขึ้นก็เกิดหลงอำนาจขึ้นมาเราก็ไม่ฟังคำแนะนำหรือคำทัดทานของรกสุนซึ่งตอนนี้เป็น เรียกว่าเป็นอุปราชก็ว่าได้นะใหญ่โตมากนะลกศรนนี่ก็แนะนำนะสุนกวนด้วยความปรารถนาดีนะด้วยเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งแต่ศุนกวนนี่ไม่ฟังนะเดือเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับราชทา ย, ยาทแล ah ้วก็มาเหตสีแล้วถามหูเบาด้วยนะมีคนมาเพชทูลใส่หูศุนกวนว่าเนี่ยลกศรนี่กระด้างกระเดือง ส่วนกลัวในตัลังหูเบาเชื่อนะก็เลยนะเหินห่า ง, มงหมางเมอนกับลกคุนตลังก็ปลดลกคุนนะอดีนะที่ไม่ถึงกับจับไปประหารนะเพียงแค่ปลดลบคุ น, นี่พอหมดอำนาจนี่อันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่พอเห็นผู้นาของตัวเนี่ย พาบ้านเมืองเนี่ยตกต่ำย่ำแย่ไปเรื่อยๆก็เสียใจมากเลยนะนะมีทั้งความน้อยเนื้อต่ำใจทั้งความผิดหวังนะอุสาอุทิศตัวเพื่อบ้านเมืองแต่เห็นบ้านเมืองตกต่ำย่ำแย่แบบนี้เพราะพูนนาที่เริ่มจะหลงตัวมากขึ้นแกเสียใจมากเลยนะสุดท้ายก็ตอมใจตายนยะ ไม่ได้มีใครฆ่านะแต่ว่าทำใจไม่ได้อันนี้มันแสดงเห็นเลยนะว่าทางด้าที่มีปัญญานะในการแก้ปัญหาเรียกว่ามีความสลาดเฉลียวเนี่ยประหนึ่งเทพยายดาเลยนะจะน้องๆของคงเด้ง น, นะแต่ว่าสิ่งที่ทขาดไปคือปัญญาในการเข้าใจนะความจริงของชีวิต ความที่ลกศุลเนี่ยนะเขเป็นคนที่เสียสละเพื่ อ, อบ้านบ้านเมืองมากเพราะเขามีความปรารถนาอยู่ต่อบ้านเมืองเขาก็ยึดมั่นถือมั่นนะกับความเป็นไปของบ้านเมืองมากบ้านเมืองที่วันเนี้ยคือกกศุนกวนแต่พอเห็นบ้านเมืองนี่มันทำท่าจะตกต่ำแย่ําแย่เพราะผู้นำนะเริ่มจะไม่มีคุณธรรมทําใจไม่ได้ ยอมรับความแปลเปลี่ยนความผกผันความแปลปวนนะของบ้านเมืองไม่ได้ซึ่งถ้ามองในแง่ของอธรรมะนี่มันก็เป็นธรรมดานะสิ่งที่เรายึดมั่นเนี่ยแม้มันจะยิ่งใหญ่อยังไรนะแต่วันมันก็ต้องมีวันแปลพันมันต้องก็ต้องมีวันเสื่อมการที่เขายึดมั่นนะในประโยชน์สุขของบ้านเมืองนี่มันก็ทำให้เขาเป็นคนที่นะเสียสละ แล้ทำให้ชื่อเขามีความหมายแต่ว่าพอยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักปล่อยวางก็เลยเสียใจคับแค้นใจกลุ้มใจนะที่บ้านเมืองที่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการสุดท้ายตอมใจตายนะสาเหตุแห่งความความทุกข์ของโลกสุญเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ เป็นเรื่องความแปรผันของบ้านเมืองนะแต่เป็นเพราะความยึดมั่นนะยึดมั่นในความเป็นไปนะของบ้านเมืองมากกว่าไม่ยอมรับนะความแปลเปลี่ยนหรือความไม่เที่ยงคนเราเนี่ยถ้ามีความเข้าใจในเรื่องชีวิตและโลกนะมันก็ต้องก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือเห็นคุณค่าว่ามีความสาคัญเพียงใดเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปดังใจได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งแทบทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของเราต้าเข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันแปลป่วนไปมันแปลเปลี่ยนไปก็ทำใจได้ยอมรับได้พยายามแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้ มันเป็นไปอย่างปรารถนาก็ยอมรับอันนี้แหละต้องอาศัยปัญญานะคือความเข้าใจในเรื่องของชีวิตแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะสุดท้ายนะสูญเกินก็ตรอมใจตายอารมณสุญก็ตรอมใจตายสู้กับศึกนอกภายนอกมาเยอะนะแต่ว่าศึกภายในเนี่ยคือความเสียใจ ความคับแค้นใจความผิดหวังเนี่ยจัดการไม่ได้จะจัดการได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยนะความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตนะเข้าใจเรื่องถ้ามีปัญญาเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ต้องระดับพระอารหันต์หรอกนะแต่เข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องของฟ้าดินนะอันนี้เป็นภาษาของคนจีนสมัยก่อนเข้าใจา เ, เรื่องของฟ้าดิน มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมอะไรได้ยอมรับปราดจีหลายคนนะพอเขาอยอมรับความจริงได้นี่เาก็ก็ไม่ไปต่อสู้กับโชคชะตาไม่ต่อสู้กับฟ้าดินก็กลับมาใช้ชีวิตนะอย่างเงียบสมัตเพราะว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเนี่ยในการเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา ขาดไม่ได้เลยนะเราจะมีแต่ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่พอมีปัญญาในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับส่วนรวมหรือแม้กระทั่งกับตัวเองเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมีปัญญาในการเข้าใจชีวิตและโลกด้วยไม่งั้นความรู้แม้จะมากเพียงใดความสามารถนี่จะประหนึ่งเทพ ย, ายดาเพียงใดนะสุดท้ายก็ เอาตัวไม่รอดอย่างที่เขาเรียกว่านี่ความรู้ทั่วงหัวตัวไม่รอดนะเพราะว่าเจอความผัน ผ, ลผลวนปวนแปรที่มันทําให้สิ่งต่างๆไม่เป็นดังใจหรือสิ่งที่หมายมั่นปั้นมื่อไม่เป็นไปดังใจคนเราถ้าอ า, าสามารถจะอยู่ยอมรับว่าโลกนี่มันไม่โลกและชีวิตนี่มันไม่สามารถจะเป็นไปดังใจเราได้ทุกอย่างเนี่ยก็จะ สามารถส่งใจให้เป็นปกติได้แล้วก็อยู่ท่ามกลางความผันผนวนปลวนแปรได้อันนี้คือดุลยภาพนะหรือสมดุลนานะที่เราต้องมนะีถ้าไม่มีนี่ก็ก็ตัวรอดได้ยากนะ